แนะนําบทอัลอัมฟาลบทอัลอัมฟาลเป็นบทมาดาญะมีเจ็ดสิบห้าองค์การที่เน้นในเรื่องการตราบทบัญญัติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสงครามและการต่อสู้ในลุ่ทางของลอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องสงครามพ่อแนะนําผู้ที่ออกไปต่อสู้ในลุ่ทางของลอปกป้องดินแดนให้พ้นจากการจู่โจมของศัตรู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 ให้ตอบรับคำเชิญชวนและคำเรียกร้องของทารูลครั้งที่สี่เตือนไม่ให้เผยความลับให้ฝ่ายศัตรูได้ทราบครั้งที่ห้าแจ้งให้ทราบว่าผลของการยำเกรงอลัลลอ์นั้นจะทำให้สามารถแยกความจริงออกจากความเพศครั้งที่หให้ยืนหยัดในการต่อสู้รำลึกถึงอลัลลอ์ให้มากๆแล้วจะได้รับความสาเร็จและชัยชนะ บทนี้จบลงด้วยการแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันแม้จะมีคำนดธรรมเนียมภาษาสัญชาติต่างกันก็ถือเป็นประชาชาติเดียวกันคือมุสลิมดังนั้นถึงต้องให้ความช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันมีสุขสุขด้วยกันมีทุกทุกด้วยกันไม่มีการแบ่งชั้นวรณนะสัญชาติและภาษามุสลิมทุกคน بسم ا ل ر ح م الرحيم. ب ل ن ه ف ض نام ا ل ل نام الله، ا م الله، ب ل ا م ل ل ه بفضل نام الله، ب ف ا م الله، بفضل ا م ل ل ه ف ض ل نام نام ل ل ه ب م ب ب ف نام ه ا ل ل ه ف ن ا ف م ا م ل ن ن ا ل ن ف ا ل ل ا ل ن ف ا ل ل ل ه ا ل ل ف ا ا الله، ا ل ا ا ب ن م ออนุุมมมพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และของรอสูลดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรง AH อัลลอฮ์เถิดและจงปรับปรุงความสำนธ์ระหว่างพวกเจ้า และจงเชื่อฟังอัลลอ์และรอศูนย์ของพระองค์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้สัาอินัลมมินนัละีกิรัลลอฮวจัตกลบุมวาตุลลัยมอายตุูซาดัมอมาวะลรบบิมยตวลูถ้าจริงบรรดาผู้ที่สัทยานั้นคือผู้ที่เมื่อคําเตือนของอัลลอ์ถูกกล่าวขึ้น หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาลองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็ได้เพิ่มปูนความศรัทธาให้แก่พวกเขาและแด่พระผู้อวยพของพวกเขานั้นพวกเขาจะมอบหมายขึ้บนบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพ แก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคหุุ ا, นเหล่านี้คือผู้สภาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณนะพระผู้อวบานของพวกเขาและจะได้รับ การอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมากมายเช่นเดียวกับการที่พระผู้อิบานของเจ้าได้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเรื่องด้วยความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้สถานนั้นรังเกียจ إ أ พวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงหลังจากที่มันได้ปรากฏขึ้นประนด็นว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตาย โดยที่พวกเขาก็เห็นกันอยู่ว่าอีหยดุุมลลอฮ د าต้าอีเฟตีอันหะลัคุมว่าตวัดดุนอันน์ไกรดะติชโชกตีตคูนุลคนุมว่ ر ي د อลลอฮฺเอ ح ห์อัลพัฟฺคับคมาติฮิว يقطع دابر الكافرين ลจงจำลึกถึงขณะที่อัลลได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเจ้า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 และให้สิ่งเท็จปรากฏเป็นสิ่งเท็จและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตามจงรำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือในอยามขับขันต่อพระผู้อิบานของพวกเจ้าและพระองค์ก็ได้ตอบสนองแก่พวกเจ้าว่าแท้จริง ถ้าจะเสริมให้พวกเจ้าด้วยมาลัยกาหนึ่งพันตนโดยทยอยกันลงมาแล้วร้อนนั้นไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพืว่าหัวใจของพวกเจ้าจะสงบขึ้น และไม่มีการช่วยเหลือนอกจากที่มาจากที่อัลล่ะเท่านั้นแท้จริงอัลล่ะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอิดยุหัชีคุมนุหาสะแมนตัมมินหัวยุนัสดีนอัลัยกุม ا أ จงรำลึกถึงนขนาะที่พระองค์ทรงให้มีการนิบหลับครอบงำพวกเจ้าด้วยความปลอดภัยจากพระองค์และทรงให้น้ำลงมาจากฟ้าฟ้าแก่พวกเจ้า เพื่อทรงชำระพวกเจ้าด้วยน้ำนั้นและทรงให้หมดไปจากพวกเจ้าซึ่งความโสม ม, มของชายต่อนและเพื่อที่จะทรงผูกหัวใจของพวกเจ้าและทรงให้เท้ามั่นคงด้วยน้ำนั้นบุิอนมา ทรงระลึกถึงขนาที่พระผู้อภิบาลของเจ้าประธานองค์การแกะมาไหลกาว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นคงเถิดถ้าจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านพรและจงฟันทุกๆส่วนของปลายนิ้วมือพวกเขา ق ق د د นั่นก็เพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูงของพระองค์และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูงของพระองค์แล้ว แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการหลงโทษดังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิดแต่ แ, แท้จริงสำหรับผู้ปฏิเสธศรันั้น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 พวกเจาก้าจงอย่าหลังหีนพวกเขาและไม่มีวันที่จะดูเบรห์อิลลามุเถิดฟัลิกตัลลหรือมุเถหีซะหรือมุเถหีซะอีลาฟีติน فقد باذغضب من الله ومؤوه جهنم وبأس المصير และไม่มีใครหลังหนีพวกเขาในวันนั้น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 บบออมมมาัลว ا. إ พวกเจ้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่ทว่าอัลลอฮ์ตาหากที่ทรงฆ่าพวกเขาและพวกเจ้าไม่ได้กว้างพวกเขาดอกขณะที่เจ้าขว้างแต่ทว่าอัลลอฮ์ต่าหากที่กว้าง และเพื่อที่พระองค์จะส่งทดสอบบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้สงรอบรู้นั่นแลคอกบ่างมะ้นอัลลอฮ์นั้นนผู้ทำใอบายิรัอ่นแนั่นแหละคือการตอบแทนอย่างดีงามและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทาให้อุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่อนแ อ, อน หากพวกเจ้าขอมีการชี้ขาดแน่นอนการชี้ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วและถ้าหากพวกเจ้าหยุดยัง้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าและาพวกเจ้ากลับไปทาการ รุกรานอีกเราก็จะกลับไปช่วยให้พวกเจ้าแพ้อีกพรกพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยและแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตามและแท้จริงอัลลอ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้สถาทั้งหลายยาาออัันนนุมววลลลส โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอ์และรอศูญของพระงองค์เถิดและจงอยากถลิหลังให้แก่ท่านขณะที่พวกเจ้ากำลังฟังกันอยู่และพวกเจ้าจงอยากเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขา หาแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนอัลลอ์นั้นคือที่หูหนวกเป็นใบซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา ว َالَوْ أَسْنَاهُمْ ل َ ت َ و َ ل َّ و ْ و ه م م ع ر ض و ن َ <ون> <ت ص في ق> แล้วหากอัลล่ท์สงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดีแน่นอนก็จะส่งให้พวกเขาได้ยินแล้หากพระองค์ส่งให้พวกเขาได้ยินแล้วแน่นอนพวกเขาก็ผินหลังให้โดยที่พวกเขา เป็นผู้ที่ชอบขินหลังให้อยู่แล้วยเอเยาะเอเมสตล่าดะอาี่นัเ่งห و อลัยห์โอผู้ธาทั้งหลายจงตอบรับอัลลอหฺและรุู่ลเถิด เมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวาพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอะ์นั้นทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาและแท้จริงอย่างพระองค์นั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุนุกัดกูนนินนนล ล, นลมีมมมคง د د และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่เพียงประสบแก่บรรดาผู้ที่อารรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นและเพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ َذْكُرُوا يَكَخَطْطَفَكُمُ فَآَوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ وَرَزَقَكُمْ بَاكِلَ مُسْتَضْعَفُونَ تَخَافُونَ الْأَرْضِ النَّاسِ أَنْتُمْ أَنْ تَشْكُرُونَ قَلِيلٌ فِي بِنَصْرِهِ และพวกเจ้าจงดำลึกถึงขนาที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดิน โดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวกเจ้าไปและพระองค์ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัจจัยยั่งชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทุจริตต่อล l l ล h และ r a s u และจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าก็รู้ดี ว่าลมูออําวผมว่าเอาลทคมจินว่าอันนลอหจะหอดกระบึง ร, รู้ถึกว่าถ้าจริงทรพย์สินของพวกเจ้าและลูกลๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอั ล, ล้อนั้นนณที่ปรุ่งมีรางวัลอันใหญ่ وا, ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรองอัลลอห์และพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและความเท็จ และจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้าและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวลน และจงจำเลึกถึงขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้าเพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือเพื่อขับไล่เจ้าออกไปและพวกเขาวางอุบายกันและอลัลลอฮ์ก็ทรงวางอุบายและอลัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าในกระบวนผู้วางอุบายว า, า, า, نا, าด และเมื่อบรรดาองการของเราได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยินหากเราประสงค์แน่นอนเราก็พูดเช่นนี้แล้วสิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นไยคำของคน สมััยย่่่อนนนนททีีีถูกขขดเขไเไว้้าและจงรำลึกถึงขนาดที่พวกเขากล่าวว่าโอ้ oh Allah หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริง ที่มาจากพี่พระองค์แล้วไซก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟ้าคว้าตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิดหรือไม่ก็โปรดทรงนําการลงโทษอันเจ็บแสบลงมาแก่เรามและพระองค์อัลเลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ขณะที่เจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ส่งลงโทษพวกเขาโดยที่พวกเขาขออภัยโทษต่ตอพระองค์ แล้วะลินรไม่มีอะไรแก่พวกเขาการะนั้นหรือที่อลอสจะไม่ส่งลงโทษพวกเขาทั้งๆั้ที่พวกเขาขัดหวางเม่เข้ามาสัสยิดฮะรอหและพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้คุ้มครองมสัสยิดนั้นด้วยผู้คุ้มครองมสัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้นแต่ถ้าว่าพวกเขาเสื่อมมากไม่รู้ มิปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงนิ้มรถการลงโทษเถิด إن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นจะ บ, บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกจากทางของอัลละและพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไปภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะรับความปรชาชัยด้วยและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยหญ่ เพื่อที่ล l l a h จะทรงแยกคนเลวออกจากคนดีและจะทรงให้คนเลวซึ่งบางส่วนของพวกเขาอยู่บนอีกบางส่วน โดยจะสมพวกเขาทั้งหมดไว้เป็นกองและพระองค์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในนรกยานหนักชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่กลับไปจงกล่าวเถิดวุมัดแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่า หากพวกเขาหยุดยั้งการกระทาที่แล้วมาก็จะถูกรับการอภัยโทษและหากพวกเขากลับมาต่อต้านอีกแท้จริงแนวทางของคนก่อนๆนั้นได้ผ่านมาแล้ว。ว และพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นและกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามเป็นสิทธิของอัลลอ์เท่านั้นถ้าหากพวกเขาหยุดยั้งแน่นอนอัลลอ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำ <S <S และหากพวกเขาผลินหลังให้โดยไม่หยุดยัง้งก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงคุม้มครองพวกเจ้าผู้ทรงคุม้มครองที่ดีเลิศและผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมวูร وللقصور ولذِ القرباء واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كُنتم آ م ن و م بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم ا لتق الجمع ا ن والله على كل شيء قدير และเพิงรู้เถิดว่าทรัพย์สินใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้นแน่นอนหนึ่งในห้าของมันเป็นของอรรถและเป็นของรอสูลและเป็นของญาติที่ใกล้ชิดของท่านรอสูลและบรรดาเด็กกาพรา้าและบรรดาผู้ขัดสมและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่อรรถและสิ่งที่เราได้ลงมาแก่เบาของเราในวันแห่งการจำแนกระหว่างการศรัทธา และการปฏิเสธคือวันที่สองฝ่ายเผชิญหน้ากันและอัลล์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ั ي ي ى ชงดำเลึกถึงขณะที่พวกเจ้าอยู่ด้านหุบเขาที่ใกล้กว่าและพวกเขาอยู่ด้านหูเขาที่ไกลกว่าและกองคารวานนั้นอยู่ต่ำกว่าพวกเจ้าและหากพวกเจ้าต่างได้สัญญากันแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมขัดแย้งกัน แล้วในสัญญานั้นแต่ทว่าเพื่อที่อลัลลอฮ์นั้นจะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทําไว้แล้วเพื่อว่าผู้พิรณาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พิรณาลงโดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่ผู้ศรัทธาจะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ จงดมเลือกถึงขาะที่อลล l อ h ทรงให้เจ้าฝันเห็นพวกเขามีจำนวนน้อย และหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจานวนมากแล้วไซแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมย่อทอกันและขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแต่าว่าอัลลอ์นั้นทรงให้ปลอดภัยแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงกมมยลบ และจงจำลึกถึงขนาดที่พรงทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อลอจะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไปแล้ว และยังอัลลอ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป وا. وأ โอ้ผู้ศรัธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จงยืนหยัดต่อสู้เถิดแต่จงรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ ول และจงเชื่อฟัง Allah และรสูลของพระองเถอดและจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวกเจ้าย่อทอและทำให้ความเชื่อมแขนของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถอด แท้จริงอัลลอฮนั้นสรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนทั้งหลายและจงจะเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไป ด้วยความหยิ่งผยองและโอ้ อ, โอวดผู้คนและขัดขวางบนทางของล้อและล้อนั้นได้ส่งล้อมสิ่งที่พวกเขากำลังกระทำกันอยู่วววาาาาอออออิิิดนนนนนนลลลลลลละุุุมมมมมบบีสกก د د และจงจำเลึกถึงขณะที่ชายตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขาและมันได้กล่าวว่าวันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ชนะพวกเจ้าได้ และแท้จริงนั้นฉันคือผู้ที่ช่วยเหลือพวกเจ้าครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกันแล้วมันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมันแล้วกล่าวว่าแท้จริงฉันไม่ข้องเกี่ยวกับพวกเจ้าแท้จริงฉันกําลังเห็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่เห็นแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์และอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ غ اء จงดำลึกถึงขนาดที่บรรดาผู้กลับกรอบและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของเขามีโรคกล่าวว่า ที่ได้รวมผู้คนเหล่านี้นั้นคือาศาสนาของพวกเขาเองและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอ์ น, นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา แ ห, หาว่าพวกเจ้าเห็นขณะที่มาลิกะเอาวิญญาณของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นพวกเขามาลิกะจะตีใบหน้าของพวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธาและหลังของพวกเขาและกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งการเผาไหม้นั่นเถิด นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือพวกเจ้าได้กระทำไว้ก่อนและรลนั้นไม่ใช่เป็นผู้อารรมแก่บ่าวทั้งหลาย เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิโอ่และบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของลอร์แล้วลอร์ก็ได้ส่งลงโทษพวกเขานึ่งด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเองแท้จริง ล l l a h นั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการล่งโทษ น, นั่นก็เพราะว่า a ลล a h ไม่ได้เป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆที่พระองค์ได้ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่ง จนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาเองแต่แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้บบ。 เช่น e เดียวกับสภาพของวงวานฟิรูหและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาและเราก็ได้ทำลายพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาเองแล้วเราได้วงวานฟิรูหจมน้ําตายซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นผู้อาถรรพอินชาอัลัดฮฺวาบ ถ้าจึงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่งณที่อัลลอนั้นคือบรรดาผู้เนรคุณดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทาี่อัลลอฮ์นั้นคือบรรดาผู้นรดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธาผู้ที่อัลลอฮ์นั้นคบรรดาผู้เนคุณดังั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขาและพวกเขาก็ได้ทำลายสัญญาของพวกเขาเสียทุกครั้งไปโดยที่พวกเขาหาเกรกลุ่มใหม่ถ้าพวกเจ้าจับพวกเขาได้ในการรบก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยการลงโทษพวกเขาให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อว่าพวกเขาจะได้สำลึก แต่ถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใดก็จงโอนสัญญากลับคืนให้แก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสถานนั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาได้หนีรอดไปได้แท้จริงพวกเขาไม่อาจทำให้อัลลอะ์หมดความสามารถได้ وأعدو لهم م س ت ط ع ت من م قوة و م ر ذ باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم และพวกเจ้าจงตระเตรียมกำลังและม้าเอาไว้สำหรับป้องกันพวกเขาตามที่พวกเจ้าสามารถโดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลลอ์และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงไม่สิ่งนั้นและพวกอื่นอื่นอีกอื่นจากพวกเขาซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา แต่อัลลอฮ์ทรงรู้จักพวกเขาดีและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในทางของรอนั้นสิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรม้ลยและหาพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการปรณีประนอมแล้ว เจ้าก็ชรงโ อ, อนอ่อนตามเพื่อการนั้นด้วยและจงมอบหมายแด่ออดเอาล้ะเถิดแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้ และถ้าหาพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้าแท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าแล้วพระองคือผู้ที่ได้การสนับสนุนเจ้าด้ความช่วยเหลือของพระง และผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกด้วยและได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาหากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดไปเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้แต่ทว่ารนั้นได้ทรงให้ความสนิทสนมระหว่างพวกเขาและแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาย โอ้นบีอร น, นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าและแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้นบีข้อหนึ่ง อ้อนบีจงปลูกใจผู้สรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิด ถ้าปรากฏว่าในหมู่ของพวกเจ้ามี20คนที่อดทนก็จะชนะ200คนและหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามี100คนก็จะชนะ 1,000 คนในหมู่ผู้ที่ปฏิเศษสถาเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เขา้าใจบอัลอาลขฟะฟะทัท ล, ลาหุ่ عنكم วอาลิมอันนภีคุม ض ่อฟาฟะอียะคุมมินคุม อบท น, นี้อัลลอฮ์ได้ทรงผอนผันให้แก่พวกเจ้าแล้วและทรงรู้ว่าแท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีความอ่อนแอดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทน ก็จะชนะสองร้อยคนและหากในหมู่พวกเจ้ามีพันคนก็จะชนะสองพันคนด้วยอนุมัติของอัลลอะ์และอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนทั้งหลายาาคนนนนนิิบยอออตูอสรัุขข ด ز ز ไม่บังควรแกน่นบีคนใดที่เขาจะมีเฉลยศึกไว้จนกว่าเขาจะได้ประหัตประหารศัตรูอย่างมากมายในแผ่นดินเสียก่อนพวกเจ้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแห่งโลกนี้แต่ลอต้องการปรโลกและลอ้นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ล ولا كتاب ุมในอัลลอฮิสบ اق ลม์มัสกุม فيما أخذتم عذاب عظيم หากว่าไม่มีข้อกำหนดจากอัลลอฮ์ล่วงหน้าอยู่ก่อนแน่นอนการลงโทษอันมหันก็ประสบแก่พวกเจ้าแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเอาแต่คนมิหมาคนิมุมฮะ ล, ลาลัตยิบาน ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุญาตที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศีลและพึงจำเกรงอัลลอ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยฮ์อันนบีคุลล์มะฟีเอดีทุมมินัลอสรา อียลัลยออ ล, มลัมัลลัฮ์์์์อ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ของพวกเจ้าแล้ว พระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่าถ่ายตัวที่ถูกเอามาจากพวกเจ้าและจะทรงอภพยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภพยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอว และถ้าหากพวกเขาต้องการจะทุจริตต่อเจ้าแท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออัลลอ์มาก่อนและพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้และล้อนนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญอินนัลลดีนาอามนูวะฮะจวะจฮัดูบิอัมวาลิฮิมวะอัฟุสิฮิม์ีิสบีมินละ والذين آ و ا ونصروا لئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما َ ك م من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن ا س ت ن ص ر و ُ م في الدين فعليكم النصر إلا ถ้าจึงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในหนทางขอร้อและบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้นชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน และบรรดาผูธธ้ที่ศรัทธาและมิได้ อ, อพยพนั้นก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะ อ, อพยพและถ้าหากพวกเขาขอให้พวกเจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนาก็จาเป็นแก่พวกเจ้าที่จะต้องให้การช่วยเหลือนั้นนอกจากการช่วยเหลือพวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่และล้อนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكم فتنة في الأرض وفساد كبير และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนหากพวกเจ้าไม่ทำในสิ่งนั้นแล้วความวุ่นวายและความเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้น و و และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ในหนทางของลอและบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้น ชนเหล่านี้แหละคือผู้สภาโดยแท้จริงซึ่งพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมากมาย อินนและบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในภายหลังและได้อพยพและต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้นชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้าและบรรดาญาตินั้นบางส่วนของพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรต่ออีกบางส่วนในคำพีของอัลลอฮ์ถ้าจริงอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง